จิตนะ่ะตั้งมั่นเป็นคนดูดูสบายๆดูลูกเดียวเลยแต่อารมณ์นับไม่ท่วนในความแตกต่างตัวสำคัญเลยงั้นอย่างถ้าเราน้อมจิตให้นิ่งเฉยว่างๆไม่มีความเปลี่ยนแปลงอารมณ์คงที่อยู่นั้นนั้นสมถะนะต้อระมัดระวังถ้าแยกไม่ออกระหว่างสมถากิภปัศนาเนี่ยการภาวนาจะใช้เวลาเยอะมากเลย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 ก็เห็นว่าโลกเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้จริงนะมันก็หาทางออกจากโลกนะ่ไปหลงกับมันมาเรียนรู้มันสิ่งที่เรียกว่าโลกนั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้หลายยะนะถ้าบัญญัติให้พวกที่มีตัวมีตนฟังพวกที่ติดในเรื่องตัวตนนะั้นท่านก็บอกโลกคือหมู่สัตว์พวกเราเนี่ยเป็นสัตว์โลกมีคนโน้นคนนี้มีหมามีแมวนี่เป็นสัตนนนนวต์โลกคือหมู่สัตว์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 คนไหนเป็นสามีมาเกินสิบปีแล้วมีไหมในเนี้ยมีไห ม, มเช้าๆภรรยาตแต่งตัวไงนึกออกไหมนึกยากนะ <c oughs> เหมือนเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้แล้วไอ้อย่างนี้ไม่ใช่เรียกว่าเป็นกลาง <c oughs> อย่างนี้เรียกว่าไม่สนใจเราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเป็นกลางกับรูปนามนะไม่ใช่ไม่สนใจมันนะ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 ก็จะทำลายสมุทัยทำลายตัณหาได้ทำลายตัณหาได้ก็แจ้งนิโรธคือเห็นพระนิพพานได้นี่ยธรรมะของพระเจ้านะต้อเรียนเข้ามาให้ถึงตรงนี้อย่าคิดว่ายากเกินถ้าไม่ฟังเลยนะันก็ยากไปทุกภพทุกชาติฟังแล้วก็ลงมือรู้ทุกข์ซะตั้งแ ต, แต่ชาตินี้ต่อไปมันก็ง่ายถ้าเร า, าท้อแท้ธรรมะอะไรว่าพระองค์นิเทศอะไรฟังยากเหลือเกิน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 จิตของเรามีสองอย่างนะสำหรับพวกเราในขั้นของการภาวนาเนี่ยการภาวนานะั้นมีสองอย่างมีจิตสองอย่างที่เราต้องทำหนึ่งคือสมถะภาวนาอันที่สองคือวิปัสนาภาวนาเร า, ามีงานสองงานไม่เราจะทําอะไรทําสมถะหรือทําวิปัสนาทําเพื่ออะไรสมถะทําเพื่อให้จิตมีความสุขมีความสงบมีความดีนะแล้ถ้าทําเป็นเนี่ยดีสมบูรณ์แบบเพื่อจะตั้งมั่นมีเรี่ยวมีแรง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 ตั้งมั่นอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นกลางด้วยะระลึกรู้รูปแล้วเกิดยินดีขึ้นมาในรูปรู้ทันเกิยดยินร้ายในรูปรู้ทันระลึกรู้นามแล้วยินดีในนามรู้ทันยินร้ายในนามรู้ทันเช่นกิเลสเกิดไม่ชอบเลยอยากทำลายมันเนี่ยใจไม่เป็นกลางแให้รู้ลงไปว่าไม่เป็นกลางนะกูศนเกิดแล้วชอบเนี่ยยินดีแนละ้วให้รู้ทันว่าชอบนะความชอบก็จะดับไปจิตก็จะเป็นกลาง